หวังใจฉันแม่ใครไหนกันนั้นจะเทียมได้แม่อดทนถึงจนแม่ก็ต่อสู้แม่จึงเป็นผู้ส่งทางสว่างสดใสห่วงห า, อาทอนเดือดร้อนก่อนเขากว่าใคร ปองห่วงใหญ่อภัยเรื่อยมาจะทำตัวไม่ให้โชดชั่วมหานเพื่อเป็นรางวัลของแม่ผูแธชราให้แม่ภูมิใจที่เลี้ยงลูกใหญ่โตมาคำดีเป็นสีสงา่า ตัวฉันมอบเป็นรางวัลให้แม่ฉันเอง ฉันมอบเป็นรางวัลให้เมียฉันเอง